กับนางฟ้าเด็กๆทุกคนคงเคยได้ยินได้ฟังนิทานที่เกี่ยวกับยักษ์และนางฟ้ามาหลายเรื่องและแทบทุกคนก็มักจะมีภาพในใจว่ายักษ์นั้นเป็นตัวอะไรที่ใหญ่โตมีเขียวดุและใจร้ายไม่มีใครอยากเจอยักษ์เลย มีแต่คนอยากจะพบเจอแต่นางฟ้าผู้ใจดีมีเมตตาเสกของขวัญให้รางวัลแก่เด็กดีวันนี้แม่มีนิธานที่เป็นเรื่องจริงเกี่ยวกับยักษ์และนางฟ้ามาฝากตั้งใจฟังให้ดีนะจ๊ะ<ด>นานมาแล้ว มีเรื่องเล่าว่ายักษ์และนางฟ้าไม่ได้หอะมาในอากาศแต่มันอยู่ในตัวในตนของคนเราทุกคนรวมถึงเด็กๆ ด, ด้วยค่ะใครอยากเป็นนางฟ้ายกมือขึ้นและถ้าไม่อยากกลายเป็นยักษ์ให้ตั้งใจฟังทางนี้ทุกๆวัน ยักษ์กับนางฟ้าจะแย่งกันออกมาหากินที่อยู่ของยักษ์กับนางฟ้านั้นไม่ใหญ่โตนักเป็นที่เล็กๆอยู่ตรงกลางอกของเด็กๆนั่นลัะค่ะ<ม>ยักษ์นั้นตัวใหญ่ครับอกเวลาหิวมันจะดิ้นทุรนทุรายจนลูกรู้สึกอึดอัด เวลานั้นมันจะร้องกล้องอยู่ภายในอกว่าหิวจังส่งอาหารมาให้ซะดีๆข้าอยากกินความโปรดอารวาเลยถ้าอยากได้อะไรเร็วๆแล้วก็กระทึกเท้าแรง ชักดิ้งดิ้งอเลยนะรับรองได้เลเอาของเราคืนมาอย่าแบ่งแห้ใไรเล่นอย่าให้พ่อแม่ชมน้องต้องชมเราคนเดียวอิจฉาใส่ลยสิสุมไฟไาไว้ดีอกนะเด็กน้อย จะได้กินกี่อย่อย่อยหอย ทำตามคำสั่งมันแล้วก็เท่ากับลูกกำลังเลี้ยงยักษ์ให้โตเร็วๆแล้ววันหนึ่งยักษ์ในตัวลูกมันก็จะออกมากินพ่อกินแม่นั่นแหละค่ะอย่าลืมนะจ๊ารีบเตือนตัวเองให้ทันเวลาได้ยินเสียงมันร้องดิ้นอยู่ในใจนะ่ะเคยเห็นท่าทางมันไหม ดูสิเวลาลูกโกรธจงวิ่งไปส่องดูตัวเองที่หน้ากระจกถ้ามองเห็นใบหน้ายับยูยยีหน้าตาแดงกล่ำน้ำหูน้ำตาไหลได้ยินเสียงอารวาดของตัวเองจงรีบหยุดให้อาหารยักษ์นะจ๊ะไม่เช่นนั้นยักษ์ในตัวลูก อาจจะไปเรียกยักษ์ในตัวคุณพ่อคุณแม่ออกมาสู้กันและสุดท้ายยักษ์เด็กคงจะต้องแพ้ยักษ์ผู้ใหญ่แน่ๆแล้วคนที่เจ็บตัวเจ็บใจก็จะไม่ใช่ใครคือคนให้อาหารยักษ์นั่นเอง ส่วนอาหารของนางฟ้านั้นคือรอยยิ้มคำพูดอ่อนหวานเสียงพูดจาที่ไพเราะและความว่านอนสอนง่ายเมื่อนางฟ้าได้อาหารนางฟ้าจะเปล่งรัศมีแห่งความสุขตรงกลางอกของเด็กๆจนยักษ์แสบตาละลายหายไปเลยล่ะคะ่ะ ลูกเคยได้ยินเสียงเรียกของนางฟ้าใจดีจากข้างในบ้างไหมจ๊ะเด็ ก, ก, ก, ก, ก, กน้อยจ้าคุณแม่เอาอาหารมาป้อนรีบกินซะนะอย่าอมอย่าคาย อย่าลืมขอบคุณคุณแม่ด้วยนะคะเป็นพี่น้องกันให้รักกันช่วยเหลือกันของเล่นนาะเล่นคนเดียวไม่สนุกแบ่งกันเล่นสนุกกว่าอยากได้อะไรลองทำความดีแลกเอาสิคะอย่าโวยวายเรียกร้องเอาจากคุณพ่อคุณแม่ให้ฟังเหตุผลท่านก่อน ถ้าหนูเป็นเด็กดีนางฟ้าจะเซกให้มีแต่เสียงหัวเราะและรอยยิ้มไม่ถูดุถูกว่าเลยนะคอยดูสิ <S <S เด็กที่เลี้ยงนางฟ้าจะมีลักษณะน่ารักน่าเอ็นดูนางฟ้าจะคอยดนจิตดนใจให้ผู้ใหญ่คิดถึงและให้รางวัล ด้วยคำชมเชยหรือว่าของเล่นใครอยากได้สิ่งต่างๆเหล่านี้ต้องเลือกที่จะเลี้ยงนางฟ้าในตัวเองนะจ๊ะก่อนที่นิทานจะจบลงแม่ขอถามว่าลูกเชื่อหรือเปล่าคะว่าเรื่องที่แม่เล่านะ่ะเป็นความจริงถ้ายังไม่แน่ใจ ขอให้ลองสังเกตตัวเองตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปและลองนาวิธีที่แม่เล่าไปทดลองดูอย่าลืมกระซิบให้คนใกล้ชิดช่วยสกิดบอกด้วยละ ว, ว่าตอนไหนลูกกำลังให้อาหารยักษ์และตอนไหนลูกกำลังให้อาหารนางฟ้า นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าไม่มีคุณพ่อคุณแม่ท่านใดเลยที่ปรารถนาจะเลี้ยงลูกเพื่อให้เป็นยักษ์ท่านล้วนแต่ปรารถนาให้ลูกเติบโตมาเป็นนางฟ้าเป็นเทวดาใจดีเราจงตอบแทนพระคุณท่านด้วยการเป็นเด็กดีว่านอนสอนง่ายให้นางฟ้าในตัวลู ก, ลก เรียกนางฟ้าผู้ใหญ่ใจดีออกมาเล่นด้วยกันทุกวันเด็กๆจะได้รับพรคือความสุขเป็นรางวาัลไงล่ะคะ